เวลายังมีเหลืออยู่เพียงนิดหน่อยนี้อยากจะพูดเรื่องการปฏิบัติในโอกาสที่สามคือในขณะที่จะดับจิตร่างกายจะแตกตายลงไปนี้จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะว่างข้อนี้จะต้องอาศัยหลักที่ว่าดับไม่เหลือมาเป็นหลักอยู่เป็นประจำการที่จะต้องตายไปตามธรรมชาติคือแก่ชราแล้วจะต้องตายไปตามธรรมชาตินี้ เป็นสิ่งที่เด็ดขาดแน่นอนถ้าไกลไปถึงปูนอายุนั้นเข้าไปถึงระายะานั้นเข้ามันก็เรียกว่ามีเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วจะทําอย่างไรมันจึงจะทันแก่เวลาเพื่อให้ทันแก่เวลานั่นเองเป็นคนแก่ไม่รู้หนังสือไม่มีเวลาเรียนอะไรมากได้เพราะว่าสติปัญญามันสมองไม่อํานวยมากมายอะไร ก็จงถือหลักอย่างที่ว่าดับไม่เหลือแห่งตัวกูดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองตามปกติก็ให้ดูอยู่ว่าเป็นคนก็ไม่สนุกเป็นเทวดาก็ไม่สนุกเป็นพ่อก็ไม่สนุกเป็นแม่ก็ไม่สนุกเป็นลูกก็ไม่สนุกเป็นสามีก็ไม่สนุกเป็นภรรยาก็ไม่สนุกเป็นบ่าวก็ไม่สนุกเป็นนายก็ไม่สนุกเป็นผู้แพ้ก็ไม่สนุกเป็นผู้ชนะก็ไม่สนุก กระทั่งเป็นผู้ดีผู้ชั่วกระทั่งผู้มีบุญมีบาปกระทั่งผู้สุขผู้ทุกข์นี่ก็ล้วนแต่ไม่สนุกอย่างนี้ก็แปลว่าจิตนี้ไม่มีที่หวังที่ไหนที่จะไปเอาไปเป็นพูดว่าสิ้นหวังก็ได้คําสิ้นหวังนี้ใช้ได้เหมือนกันในการบรรลุพระอระหันต์แต่ไม่ใช่สิ้นหวังอย่างโลกโลกอย่างคนโง่คนขี้เกียจ คนไม่มีที่หวังคนสิ้นหวังอย่างนั้นมันมีอีกความหมายหนึ่งต่างหากเดี๋ยวนี้ในที่นี้มันเป็นความสิ้นหวังของคนที่มีปัญญาอย่างถูกต้องมองออกว่าไม่มีอะไรที่ควรหวังไปเอาไปเป็นที่นี่ก็ตามที่โลกอื่นที่โลกไหนก็ตามคือสิ่งทั้งหมดนี้ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นจริงๆทุกการเวลาทุกสถานที่ จิตของเขาจะน้อมไปทางไหนขอให้ลองคิดดูจิตของเขาไม่น้อมไปทางไหนได้เลยเมื่อไม่มีอะไรที่น่าหวังที่ไหนเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปเพื่อสลายตัวมันเองไม่มีความอยากเอาอยากเป็นที่ไหนมันว่างไปในตัวมันเองมันสลายไปในตัวมันเองอุบายที่จะเอาเปรียบธรรมชาติได้บ้างก็ตอนนี้ก็คือว่า จะต้องดับจิตลงไปจริงๆแล้วก็ให้ฟื้นความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นที่ไหนหมดทุกคนทุกแห่งนี้ให้มาอยู่ที่จิตใจในเวลาที่จะดับจิตนั้นมันจะนิพพานไปได้โดยไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ให้ร่างกายกับจิตใจมันดับลงไปด้วยความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นที่ไหน และจะบรรลุนิพพานได้ในตัวมันเองในตัวความตายทั้งร่างกายนั่นแหละนี่เรียกว่าเป็นการได้กำไรอย่างยิ่งลงทุนน้อยอย่างยิ่งแล้วแน่นอนอย่างยิ่งไอ้นักธรรมะชั้นมหาป ร, รีญญ์ชั้นเอกชั้นสูงสุดที่ไหนมาพิสูจน์ดูทีว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเขาดับจิตไปด้วยความรู้สึกที่แท้จริงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นที่ไหนอย่างนี้ มันก็เป็นการสลายตัวชนิดที่สลายไปกับนิพพานธาตุไปเป็นนิพพานธาตุได้ในตัวมันเองเป็นตะแก่ยา่แก่ที่ไม่รู้หนังสือพูดอะไรก็ไม่ได้แต่มีความรู้สึกอย่างนี้ได้อย่างเดียวก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะตายขึ้นมาจริงๆขอให้ความรู้สึกอย่างนี้มีอยู่และต้องรู้ไว้ว่าใกล้จะตายนั้นมันอาจค่อยๆเลือนไป ในการที่ร่างกายมันํำรุดลงมันจะต้องแตกดับนี้ความรู้สึกมันจะหมดไปหมดไปมันจะลืมนั่นลืมนี่ลืมเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่รู้สึกได้แม้ว่าตนกาลังอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านไหนเรือนไหนก็ไม่รู้สึกได้แม้แต่ว่าตัวเองชื่อไรก็ลืมไปแล้ว จะสวดอิติปิโสพระวาก็ไม่ถูกแล้วแต่ที่จะอยู่ได้เป็นคู่ชีวิตจิตใจไปด้วยกันก็คือว่าความรู้ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นดับไม่เหลือสมัครดับไม่เหลือความรู้สึกว่าสมัครดับไม่เหลือนี้ขอให้อยู่คู่กันกับจิตจนถึงวาระสุดท้าย มันจะสลายตัวเป็นความว่างหรือเป็นนิพานไปได้ด้วยอุบายอย่างนี้ด้วยเคล็ดอย่างนี้นี่เรียกว่าข้อปฏิบัติในขณะที่ร่างกายจะแตกทำลายที่เรียกว่าของผู้รู้น้อยแต่แก่ยายแก่ที่ไม่รู้หนังสือผู้รู้น้อยมีอุบายที่จะดับไปได้ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเราเรียกอุบายนี้ว่าอุบายตกกระไดและพลอยโจนให้เหมาะ ที่ว่าตกกระไดก็คือหมายความว่าร่างกายมันต้องแตกแน่มันแก่ชราแล้วมันถึงที่สุดแล้วมันต้องแตกแน่เรียกว่าตกกระไดลงมาแล้วทีนี้พลอยกระโจนเลยกระโจนสู่ความดับไม่เหลือเพราะทำความรู้สึกในใจอยู่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นที่ไหนนี้เรียกว่ากระโจนอย่างถูกทาง เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยกระโจนอย่างนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่เป็นผลดีที่สุดคือถึงความดับไม่เหลือได้นี่เราเรียกว่านี้มันเก่งมันตกกระไดเป็นไม่เหมือนคนโง่าบางคนตกกระไดลงมาปากคอแตกแขนขาหักอย่างเนี้ยมันคือคนโง่แม้เรียนมาก แม้เที่ยวพูดจ่ออยู่ตามสลาวัดอย่างนี้มันก็ยังตกกระไดปากแตกขาหักอยู่นั่นเองมันสู้คนที่สนใจอย่างถูกทางแม้จะเพียงเรื่องเดียวนี้ไม่ได้มันเอาตัวรอดได้อย่างนี้